พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปนโนแสดงโปรดคณะสัทธาที่มาจากจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่ยี่สิบมกราคม2 5งนณวัดป่าบ้านป่าจังหวัดอุดรธานีถึงการบำเพ็ญทังรา ง, างจิตใจให้มันดาทันตุฟังทั้งหลาย ซึ่งมาจากสถ า, านที่ต่างๆมื่อความสนใจในทำเป็นอย่างยิ่งในภาบตามโอกาสอันควรเฉพาะอย่างยิ่งทำทีเป็นนัก บ, บวชมีมุง่งมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาหวังจะลื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ โดยไม่มีอันไรเหรลืออยู่ภายในจิตใจให้เป็นซากแห่งความเกิยดอยู่ต่อไปการอบรมจิตใจตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านแสดงไม่มากมาย มีสรุปความย่อๆคือสีนสมาธิปัญญามีสามประการคำว่าสีนเราทุกทันก็ได้ฟังและเข้าใจกันมาพอสมควรแต่คำว่าสมาธินี่และ ปัญญาทั้งสองประเภทนี้ดีสิตเฉลิมครับพร้อมแน่นไม่อาจจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามความหมายในคำว่าสมาธิและคำว่าปัญญาได้ดนั้นการอบรมในธรรมทั้งสองประเภทนี้จิงต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้ที่ช่องทาง ซึ่งท่านผู้ที่ช่องทางนั้นเป็นผู้ที่ได้อบรมมาจนมีความสมำนึกํานานและได้ผ่านไปเป็นขั้นๆจ น, นสามารถที่จะแนะนำํำกางสอนแก่ท่านผู้มาศึกษาให้ได้รับความเข้าอกเข้าใจตามขั้นภูมิของตนคําว่าสมาธิเมื่อแปลาตามศัพท์แล้วก็แปลว่าความตั้งมั่น เริ่มตั้งมั่นตั้งแต่ข้อปฏิบัติเป็นพระก็ตั้งมั่นในหน้าที่ของพระหน้าที่ของพระมีมากน้อยเท่าไหรเป็นผู้มีความสนใจต่อหน้าที่ของตนทั้งภายนอกทั้งภายนมีเรียกว่าความตั้งมัน่นในข้อวัดปฏิบัติ อันจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นความตั้งมั่นเข้าภายในใจโดยเฉพาะจนกลายเป็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาภายในใจซึ่งได้แต่ความสงบสุขวิธีอบรมจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็น มีหลายวิธีแต่เมื่อสรุปความลงแล้วก็ขึ้นอยู่กับทมเครื่องอบรมที่เราจะนำมาบาเพ็ญหรือกากับจิตใจของเรานั้นเป็นธรรมที่ถูกกับเจติติใจของเราเราจะกำหนดลมหายใจหรือทาบทใจก็ต่างบรรดาธรรมที่เรานามากำหนดหรือภาวนานั้นรู้สึกว่ามีความปลอดโปร่งภายในจิตใจ แล้วนำทำบทนั้นเข้ามาทำกับใจในขณะที่ภาวนาเมื่อใจได้ถูกจิตกับทาแล้วก็เช่นเดียวกับโรคที่ถูกกับยานับวันจะหายวันหายปีนไปจนหายจากโรคโดยเด็ดขาดได้ด้วยการถูกยาลักษณะของจิตซึ่งเป็นโรคโประเภทหนึ่งซึ่งใครๆก็มีด้วยกัน จำเป็นก็ต้องอาศัยยาที่จะถูกกับโรคคือจริญท้องตนมีเป็นหลักสําคัญสําหรับผู้บําเพ็ญจะมองข้ามไปไม่ได้ที่ได้รับการอบรมหรือการบังคับบัญชาด้วยอํานาจของธรรมเครื่องกํากับและด้วยอํานาจของสติมีความเพียรเป็นเครื่องหนุหนหลังอยู่แล้ว อย่างไรก็จะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจับใจไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและฆราวาเพราะคำว่าโรคเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและขราวาสคำว่ายาที่จะถูกกับโรคนั้นเมื่อนามาประกอบซึ่งสมควรจะถูกกับโรคได้แล้วไม่ว่าโรคผู้หญิงผู้ชายยอมจะประสบกับยาได้และมีวันจะหายได้ เชนเดียวกันการปฏิบัติเบื้องต้นเป็นธรรมดาจะต้องได้รับความลำบากบ้างหากจะมีความสะดวกไปตั้งแต่ต้นก็มีจำนวนน้อยแต่ถึงอย่างไรขอตามเราพึงคำนึงถึงหลักของพระศาสนาเสมอว่าแม้ในมองเห็นเพียง ทำ ม, มักง่ายเมื่อทำลงไปแล้วให้เห็นผลประจั์ในขนาดนั้นแต่สำคัญดีที่ความมุ่งผลขนาดไหนแล้วบำเพ็ญเหตุลงให้สมควรกับผลที่จะปรากฏขึ้นตามขนาดที่ตนต้องการโดยความภาคความเพียรความพยันความอุตสาห์พยายามความอดความผนนี่เป็นหลักของพระพุทธศาสนา เรื่องของเหตุคือการบำเพ็ญเมื่อสมควรจะปราบสามารถจะยังผลประเทศใดขึ้นมาหรือขั้นใดขึ้นมาผลจะนิ่งนอนอยู่ไม่ได้้องหลุดลอยออกมาเพราะอำนาจแห่งเหตุเป็นเครื่องหนุนอยู่เป็นนำนำนับตั้งแต่ผลเบื้องตน้นจนถึงผลอันอสูงยอดไปแต่วิมุดพานิพพาน จะไม่นอกเหนือจากหลักความเพียรที่บำเพ็ญโดยถูกต้องไปได้เลยฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงกระทานไว้จึงเป็นธรรมศูนย์กลางอยู่เสมอไม่ได้มีความเอียงเอียงไปตามสมัยการใดๆทั้งนั้นมีความคงที่อยู่ด้วยความเป็นกลาง ท่านผู้ใดมีความสนใจที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามกําลังความสามารถของตนผลย่อมปรากฏขึ้นมาเท่าที่เหตุที่ตนบำเพ็ญได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายฉะนั้นในวันนี้จึงจะถือโอกาสอธิบายถึงเรื่องจิตที่จะรับการอบรมด้วยธรรมเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเอง เพราะการทําไม่ว่างานภายนอกงานภายในเมื่อทําสินใดลงไปย่อมมีผลเป็นเครื่องตอบแทนเสมอเช่นโลกเขาประกอบการงานจะเป็นการค้าขายเป็นการทําไร่ทํานาทํารู้ทาสวนหรือทํากิจการงานใดๆก็ตามการทําลงไปก็ย่อมมีผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนเป็นลําดับโลกที่เป็นมาได้ไม่ศูนพันแล้วศาสตร์เป็นมาได้ไม่ศูนพันุ์ก็เนื่องจากว่า ผนเป็นเครื่องสนองเหตุที่ผู้ทำนั้นมีความข้อนขวายอยู่เป็นประจานั่นเองหากาการการทาลงไปแต่ไม่มีผลเป็นเครื่องตอบแทนแล้วโลกก็จะไม่มีมนุษย์และสัตว์ตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ได้เลยเพราะสัตแสวงหากินก็ไม่ได้กินเมื่อไม่ได้กินก็มไม่มีความอิ่มท้องหาความสุขไม่นาน วันนี้ก็หิววันหน้าก็หิวของที่มีอยู่กินลงไปรับทานลงไปไม่สาเร็จผลประโยชน์ให้ปรากฏเป็นความอิ่นหนาทำรลนและความสุขกายสบายใจสบายใจขึ้นมาเป็ น, นสัตว์ก็ต้องตายมนุษย์เราแสวงหาการอาชีพการแสวงหาก็เป็นเหตุอันหนึ่งและได้มาแล้วก็เป็นผลอันหนึ่งเมื่อนำมาประกอบการเลี้ยงชีพแล้วไม่สาเร็จผลประโยชน์มนุษย์เราก็ตั้งตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกัน เพราะผลไม่สนองเหตุที่ตนทำแต่น้หาเป็นเช่นนั้นมาเพราะเหตุกับผลเป็นคู่เคียงกันไปนั่นเองโลกจึงไม่ได้สูญจากสัตว์แต่มนุษย์จึงยังเป็นโลกติ่จงกระทำทุกวันนี้และยังจะเป็นโลกตลอดไปข้างหน้านับกับไม่ท้วนเรื่องของธรรมะคำสังสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเช่นนั้น อาศัยความขยันหมั่นเพียรความพยายามทำลงไปเรื่องจะได้ผลอย่างไรนั้นเราไม่ต้องไปให้คะแนนเป็นหน้าที่ของเหตุที่ตนทำลงไปนั่นแหลจะเป็นการลือพื้นคะแนนขึ้นมาให้ปรากฏโดยลำพังของเหตุเองซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างกดเกณฑ์เอาไว้เฉพาะ อ, อย่างยิ่งการบาเพ็ญทางจิตใจเพื่อความสงบเยอเือกเยนน็นมีเป็นหลักสาคัญ ใจของเราที่ไม่มีความสุขก็เพราะว่ามีความกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาหาการหรือหาเวลานิ่งนอนนิ่งอยู่กปกเส้นปกติไม่ได้จิตที่มีความนิ่งอยู่เป็นปกติคือจิตราศจากสิ่งอาศัยภายนอกแต่มาอาศัยธรรมภายในได้แต่การอบตม เมื่ออาศัยทมภายในซึ่งเป็นเชื่องอบรมแล้วจิตยอมจะมีหวังอย่างเข้าสู่ความสงบได้จิตที่มีความสงบนั่นแหละผ่านเรียกว่าจิตเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ปรากฏสุขขึ้นมาในขณะที่สงบหรือนิ่งอยู่นั้นเราทุกท่านที่ต้องการความสุขจากจิตของตัวเองโดยแท้จริงแล้วโปรดได้บาเพ็ญ ตามที่อธิบายมานี้เราจะได้เห็นจิตของเราที่ได้ครองอัตภาพจีนี้นับตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันเราได้บำเพ็ญปรากฏความสุขขึ้นในใจนี่ว่าใจของเราเป็นของมีคุณค่าถริงตามหลักของพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่ามโนปุพังขโนมัมโนปุพังขมาธรมามโนเสถามโนมายะสิ่งทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐ สำเร็จแล้วด้วยใจมีหลักของพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้จิตนี้ถ้าจะทำให้เป็นของมีคุณค่ามากก็ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าถ้าประพฤติตัวไม่ดีไม่สามารถจะรักษาจิตใจของตนให้มีคุณค่าน่าปลอยตามอำเภอของใจที่มีเครื่องจักดัน ให้เป็นแต่ตามยะถากรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะชั่วช้าละมกเหมือนกับใจของเราเลยเมื่อใจเป็นธรรมชาติกลางๆซึ่งควรจะฝึกอบลมไปทางดีหรือทางชั่วก็ได้แล้วไหนมนุษย์เราที่จะต้องการความชั่วซึ่งให้ผลเป็นทุกข์มาคลอง หัวใจของเราล่ะนอกจากจะพยายามดัดแปลงจิตใจของคนให้เป็นไปเพื่อความดีเด่นเห็นผลกระจักใจของตนและเป็นใจที่มีคุณค่าเป็ น, นลําดับไปเท่านั้นไม่มีทางอื่นสําหรับความรู้สึกของมนุษย์ผู้มีความมุ่งหวังในทางดีและความสุกและมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ในบ้างต้นต้องมีการลำบากลำบากบ้างเป็นธรรมดาสำหรับการอบลมนั่งบื้องต้นกับยัง15นาทีก็ยังดีขณะที่นั่งจะเป็นเวลา10นาทีก็าตาม15นาทีก็าตามหรือมากกว่านั้นก็าตามตรวจทำความรู้สึกกับทำที่ตนนํามากํากับจิตใจจะเป็นพุทโธก็าตาม หรือจะเป็นอน า, าพาณสติคือลมหายใจเข้าออกก็ตามให้ทำความรู้สึกไว้กับบทธรรมนั้นๆไม่ให้เผลอคือไม่ให้จิตส่งไปสู่อารมณ์อื่นๆที่ผ่านมาแล้วกว็ดีที่ยังไม่มาถึงก็ดีให้มีความรู้สึกอยู่จำเพาะใจเท่านั้นในขณะที่นั่งภาวนาวันนี้ก็ทำอย่างนี้ วาลาตหน้าก็ทำอีกเช่นเดียวกันใจก็จะค่อยมีความผ่องใสขึ้นมามีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาภายในตนเห็นผลคือความสุขกระจากใจเมื่อปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขอันสืบเนื่องมาจากความสงบขอ ง, ของใจที่เกี่ยวเนื่องมาจากการบำเพ็ญ น, นั่นแล้ว ต่อจากนั้นก็จะมีความขยันหมั่นเพียปรปลูกกัทาความเชื่อขึ้นได้เพราะเห็นผลประจักษ์ใจในเวลาบำเพ็ญปลูกขันติความอดทนปลูกวิริยะความภาคความเพียรขึ้นได้จากผลที่ปรากฏประจักษ์ใจนั้นเรื่องของใจที่มีความสงบหรือป่องใสในระยะต้น ก็จะค่อยแปลสภาพสู่ความโปร่สใสมากขึ้นความสุขก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำดับแล้วความสงบของใจก็ยิ่งจะมีกําลังขึ้นเพราะอาศัยการบําเพ็ญเป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอฉะนั้นการบําเพ็ญ น, นี้จงเป็นเช่นเดียวกับปุ๋ยสําหรับหล่อเลี้ยงต้นไม้หาว่าขาดปุ๋ยขาดน้ําแล้วต้นไม้ก็ไม่มีผลอันสมบูรณ์ ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกันถ้าขาดความภาคความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วก็ไม่ก้าหน้านอกจากไม่กล้าหน้าแล้วยังจะถอยหลังลงไปอีกถอยหลังลงไปมากเท่าไหร่ก็ขนทุกมาให้เราทุกครั้งนอกทุกครั้งในทุกที่ไหนๆก็มารวมหัวใจดวงนี้ก็เลยกลายเป็นทะเลแห่งความทุกข์ขึ้นที่ใจ มองไปที่ไหนโลกก็เลยกลายเป็นโลกแคบเข้ามาทั้งๆ ท, ที่โลกกว้างแสนกว้างก็มาแคบอยู่ที่ใจซึ่งเป็นเจ้าคุกมีเพราะการดัดแปลงผลของผลไม่ได้และปล่อยตามเปล ย, ย์ไให้คิดตามปัยถ า, ากรรมผลที่เป็นไปตามยถ า, ากรรมนั้นจึงกลายเป็นความความทุกร้อนขึ้นมาที่ใจให้ตัดสินปในทางที่ผิดก็มีจำนวนไม่น้อย แทนที่ตัดสินลงไปในทางทีิกิตจะกลายเป็นผลดีขึ้นมากลับเพิ่มทวีขึ่งความทุกข์ขึ้นมาใส่ตนอีกนี่ลักษณะแห่งการสรับปรุงจิตใจในทางพิติตเป็นผลเช่นนี้มีเเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นผู้ถือพระพุทธศาสนาเราจริงไม่ควรนอนใจ และมองข้ามจิตใจของนตนไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้ขาดการอบรมจิตใจคือการภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชแล้วควรจะให้มีความเพียรเป็นการอบรมจิตใจอยู่คุกเิียหมดเน้นเสียแต่นอนหลับเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุสุดที่สัยนไฟที่ไหนมาที่ใดให้มีสติ เป็นเครื่องคำกับจิตใจเสมอใจก็จะไม่มีโอกาสเล็ดลอดออกไปสั่งสมอารมณ์เพื่อนำผลเป็นทุกข์เข้ามากุ่มรุ่มหัวใจให้รับความเดือดร้อนและจะมีความสงบเยือเย็นเป็นลำดับลักษณะของใจที่มีความสงบนั้นต่อเมื่อได้รับการ บริกรรมหรือการกําหนดด้วยความมีสติติดต่อกันเป็นลำดับแล้วจะยังเข้าสู่ท่านเรียกเอกคจาคือจะก้าเข้าสู่อารมณ์เป็นหนึ่งคำว่าอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นได้แต่ความรู้อันเดียวไม่สองกับอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม่ที่สุด คำบริกรรมก็ปล่อยวางกันในขณะนั้นนี่ทะเรียกมาเอกรักตะถึงความเป็นหนึ่งคืนหนึ่งเฉพาะความรู้ไม่สองกับอารมณ์นี่ล่ละเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตจะมีความสุขสแสดงความอัศจรรย์และแปลกประหลาดอย่างยิ่งขึ้นมาภายในใจของท่านผู้บำเพ็ญผู้นั้นมีหลักเบื้องต้น ที่เราจะได้เป็นสักขีพยานในการอบรมจิตใจจากธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิจักว่ามันในลายผลผู้บําเพ็ญต้องปรากฏเช่นนี้เพราะอํานาจความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าหญิงชายนักบวชนักฆราวาผลจะต้องเป็นเช่นนี้ด้วยกันมีเรียกว่าเราไล่ลต้นผนคือจิตมีความสงบเชื่งองจรเรียกว่าเป็นสมาธิกว่าดาังคือมั่นคงต่อตอนเอง ลักษณะของจิตที่เข้าถึงความเป็นหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความจำนานหรือไม่จำนานต่างกัน้ามีความจำนานมากจิตที่อย่างเข้าสู่ความเป็นหนึ่งนั้นก็เป็นเวลานา น, านทรงตัวเองไว้ได้เป็นเวลานานานและแสดงความสุขความอัิจันย์ให้ผู้บาเพ็ญได้เห็นประจักษ์ใจเป็นเวลานานอีกเช่นเดียวกันเมื่อถอนขึ้นมาแล้ว จิตก็ยิ่งจะมีความดูดดื่มในผลที่เคยปรากฏแล้วในขณะที่จิตสงอบลงไปแล้วเป็นเหตุให้เพิ่มความภาความเพียรที่จะทําจิตทั้งตนให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นหรือให้พักได้นานกว่านั้นมีใ้ทรงความสุขไว้เป็นเวลานานๆถอนขึ้นมาแล้ว พยายามพิจารณาอีกเช่นที่เคยทํามาเราอย่าลดละการกระทําของเราและอย่าคาดผลที่เคยปรากฏมาแล้วแต่ผ่านไปแล้วสําคัญที่สาเหตุเพราะเหตุใ ด, ดจิตจึงได้อย่างเข้าสู่ความสงบเช่นนั้นนี่เทียบกับสาเหตุเรากําหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรจิตจึงเป็นอย่างนั้นให้ยึดหลักเหตุไว้ โดยไม่ต้องประคำหนึ่งถึงผลที่ปรากฏและผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์อกต่อไปดเป็นเพียงว่ากําหนดกับตัวเหตุที่เคยเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้เป็นไปเพราะความสงบเช่นนั้นไว้ให้แน่นแฟน้นเช่นเรากําหนดลมหายใจก็กําหนดอยู่เฉพาะลมหายใจไม่ต้องไปคาดผลอะไรอิต่อไปเมื่อเหตุ สมควรจะเป็นไปได้ในธทรรมขั้นไหนสมควรจะเป็นความสงบมากน้อยแค่ไหนจากขนาดที่เคยเป็นมาหรือยิ่งกว่านั้นผลก็จะแสดงขึ้นมาในลำดับของเหตุอันสมบูรณ์เป็นลำดับไปแล้วนั่นเองเรื่องของสมาธิเป็นอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นเป็นต้นทุนแล้ว แม้เราจะถอยจิตออกมาเวลาจิตถอนจากสมาธิแล้วนั้นเราจะนำาทิ์าชจิตที่ถอนออกมาแล้วนั้นที่จะนาทางด้านปัญญาไตรตรองดูสภาพในภาพในขันของเขาของเราสภาวะธรรมพวกทั่วไปซึ่งเป็นธรรมเทศนาอยู่ในหลักธรรมชาติให้เห็นเป็นความแปรสภาพความแตกสลายทั้งกองหนกทั้งเน ทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งที่อนาคตซึ่งยังไม่มาถึงทั้งปัจจุบันที่ปรากฏเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนี้มีสภาพจากความจะเป็นของแปรตววอยู่เช่นเดียวกันภายนอกก็แปรอยู่รอบตานทุกๆสิ่งดำเนินไปในแถวความแปรเปลนแม้แต่ต้นไม้แม้แต่ภูเขาหินทั้งภูเขาหินทั้งลูก ก็ยังต้องแปลแต่การแปลของภูเขาทั้งลูกนั้นแปลไปตามความมั่นคงของเขาเห็นเวลานานๆม่แต่แปลลงอย่างปัจจุบันหรือทันหูทันตาทันความต้องการของเราเหมือนอย่างสภาพที่ไม่มั่นคงทั้งหลายแต่อย่างไรก็ต้องแปลในระยะช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้น นี่เมื่อเราจะย้อนเข้ามาพิจารณาเรื่องของเราเรื่องของมู่เพื่อนเรื่องของครอบครัวเราก็เห็นความแปรมาโดยลำดับเฉพาะในวงวัดวันนี้ท่านนี้เข้ามาวันนั่นท่านองนั่นออกไปมามากบ้างมาน้อยบ้างไปมากบ้างไปน้อยบ้างอยู่ด้วยกันบ้างจากกันไปที่นั่นที่นี่บ้างแล้วเข้ามา บ้างออกไปบ้างหากองนั้นไม่สมายองนี้เป็นทุกข์องนั้นเจ็บท้ององคงนี้ปวดศรีรษะองนั้นเป็นไข้ถามทุกคนในเป็นเรื่องของกองทุกข์ด้วยกันเพราะอำนาจของความแปรกรวนไม่คงทีเรื่องของอนิจังคือความแปรสภาพคนเรื่องของทุกขังคือความดีบขั้นเรานั่นก็ดีเรื่องของอนัตตก็ดี มันเป็นเรือกเส้นเดียวแต่เป็นสามเคียวเท่านั้นขั้นติดกันหนึ่งพอพิจารณาสภาพหนึ่งก็ซึมทราบไปถึงกันหมดหย้อนเข้ามาพิจารณาดูตัวของเราทุกอาการที่เป็นขึ้นมานเราก็เห็นความแปรมาเป็นมัหนัดนับตั้งแต่วันเริ่มคลอดออกมา จนถึงวันหนึ่งทำให้แปรทำทำไมเราจรึงจะเป็นคนประเภท น, นี้และในวันหนึ่งปิริยาบทหนึ่งหนึ่งก็มีความแปรประจําตัวอีกเช่นเดียวกันกร ะ, ะชั่นเข้าไปเป็นลํำดับลำนับมีความแปรสภาพอีกเช่นนี้พูดถึงเรื่องความทุกข์เรื่องของขันนี่เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นนั่งก็เพื่อบํา บำบัดขันที่เป็นทุกข์ยืนเดินนอนก็เพื่อบำบัดขันที่เป็นทุกข์ให้พออยู่ได้ไปได้นอนได้หากว่าจะฝืนเขาเสียคือยืนท่าเดียวหรือนั่งท่าเดียวเดินท่าเดียวนอนท่าเดียวทุวกในขันก็จะแสดงความขำเริบขึ้นมามากมายคนไม่ไหมก็ต้องแตกนะการเปลี่ยนเอียบดมียืนมีเดิ น, ม, ดนมีนั่งหนึ่งมีนอน ก็เพื่อจะบรรเทาขันให้พอดีได้ไปได้พอถึงอายุไขวันหนึ่งนคนและสัตว์ทั้งโลกจึงไม่มีใครจะเหนือไขในเรื่องความทุกข์ในขันเพราะขันนี้เป็นบ้านของเขาเดือนของเขาที่อยู่ที่หลับนอนของเขาเวลาเขาสงบเขาก็สงบที่นี่ ถาเทียบทั้งโลกเราเราเรียกว่านอนเวลาเขาตื่นนอนก็แสดงขึ้นตามอวัยวะต่างๆในส่วนร่างกายของเราเจ็บ น, นั่นปวดนี่เราก็ว่าทุกทั้งเกิดขึ้นที่นั่นทุกเกิดขึ้นที่นี่ไม่สบายกายไม่ะมาแขนไม่ย า, ายขาไม่สมายที่นั่นที่นีน่แท้จริงก็เขาตื่นนอนแล้วก็จะขับไล่เขาออกจากร่างกายนี้ขับไล่เขาไปไหนทุกมันก็คือเรื่องของเรา เพราะกายมันเป็นเรื่องของเราถ้าไล่เขาไปก็ต้องไล่กายนี้ไปด้วยถ้ายังไม่ขับไล่กายนี้ไปเมื่อไหร่ก็แสดงมากต้องยอมให้ทุกข์อยู่ด้วยนั่นเองเราพิจารณาเรื่องทุกข์โดยทางปัญญามีพูดเรียงทุกข์ทางกายหนาตาส่วนไหนที่เราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตน การจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นได้ก็เนื่องจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาในจุดนั้นก้อนนั้นเราก็เรียกว่านั้นเป็นเรานั้นเป็นของเราเท่านั้นเองเมื่อถอนความอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นขึ้นเป็นอันออกได้แล้วคำว่าตนก็ไม่มีปัญหาหายไปเอง เมื่อตนหายไปแล้วจากวงที่ตนสมมุติสิดก็สมยัยีผู้ถึงขั้นปัญญาในส่วนร่างกายส่วนปัญญาทางด้านจิตใจนั้นเป็นอยู่ประเภทหนึ่งที่ผู้บำเพ็ญทางพิจารณาทางส่วนกายนี้แต่นับอุบายวิธีต่างๆ จากการพิจารณาการเข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนการพิจารณาทางด้านจิตใจให้มีความแยกภายขึ้นมาภายในไใจเรื่องของสติปัญญาที่เคยขาดมักขาดตอนและได้บังคับบัญชากันอยู่ตลอดเวลานั้น <c oughs> ก็จะกลายเป็นเครื่องเชื่อมถึงกันเกี่ยวโยงถึงกันทำว่าสติกับปัญญาเลยเป็นฟันกันเป็นเกลียวไป นี่เพราะการจึกผลอบรมเพราะทุกสิ่งต้องอาศัยการบำรุงถ้าไม่บำรุงแล้วก็ไม่มีความเติบโตหรือเจริญขึ้นไปได้แม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันจัากเจริญเติบโตขึ้นมาขนาดเร า, เราที่เป็นดินก็ต้องอาศัยเครื่องบำรุงคืออาหารการบริโภคตักใจทั้งหลายมาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาที่เขาต้องการ ร่างกายจึงมีความเจริญเติบโ ต, ตขึ้นได้ขนาดนี้เรื่องของสติปัญญาเรื่องของใจเมื่อได้อาศัยการอบรมบำเพ็ญดีเสมอก็จะต้องมีวันเจริญเติบโตจิตใจที่มีความโง่เขลาเบาปัญญาก็จะกลายเป็นจิตที่ฉลาดของใสขึ้นมาปัญญาที่มีความโง่เงาเตาตุนก็จะกลายเป็นความเฉลียงฉลาดรอบตัวขึ้นมาพัาติที่หลงหลงลืมลืมก็จะกลายเป็น สติที่ตั้งมัน่นขึ้นมาเพราะอำนาจของการบำเพ็ญซึ่งเป็นเครื่องสนับส น, นุนเมื่อได้รับเมื่อสติกับปัญญาได้รับเครื่องสนับส น, นุนคือสนับสนุนจากความเพียรเสมอแล้วสติปัญญาก็จะมีกำลังกล้าขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญา คือกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยเราไม่ต้อ ง, งตั้งสติสติก็เป็นดีตามธรรมชาติของตนไม่ต้องบังคับปัญญาให้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าทั้งภายนอกภายในแต่ปัญญามีความสอดส่องมองทะลุ ป, ปุโผงไปหมดและทำหน้าที่การค้นคว้าอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติของตนซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจนเพียงพอหรือได้รับการบำรุง ม, มาจนเพียงพอ ทิเลตันหาอาสวะแทรกซึมอยู่ที่ไหนปัญญาจะต้องสอดส่องมองรู้เห็นหมดแล้วสามารถกดเครื่องออกได้เป็นลำนับจนไม่มีทิเลตันหาอาสวะตัวใดๆที่จะเครือบแฉมอยู่อยู่ได้ภายในใจิตใจเพราะอำนาจปัญติกับปัญญาที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในใจิตใจแล้วล้อมรอบจิตใจไว้สามารถจะ ถอดถอนไม่แก้ไขออกได้หมดจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะอํานาจของมหาสติมหาปัญญานักเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาและสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นธาตุสิทต่อจิตใจออกหมดแล้วนั้นเราอยู่ที่ไหนก็สมายไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าจะอดไม่ว่าจะอิ่ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน นั่นเป็นเรื่องของขันที่จะต้องยอมรับกันทั้งโลกเพราะเราดีใต้ฟ้าเหนือดีต้องได้ประสบสัมผัสกับเรื่องความเย็นร้อนอ่อนแสงความหนียวความกระหายความทุกข์ความลำบากแต่เรื่องของใจที่รู้เท่าทานตามสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างนั้นมาตั้งแต่กับกันไหนๆแล้วยอมมามีความท่านถึงหวั่นไหวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นส่งไว้ขึ้ความรู้รอบ ไม่ไปยึดในเรื่องความทุกข์ความร้อนไม่ไปยึดในดินฟ้าอากาศไม่ยึดใงความหิวความกระหายเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็กลายเป็นปกติธรรมนาเพราะเรื่องของใจรู้ระับตัวเองไม่ไปเกี่ยวพันกับสิ่งทั้งนั้นหลังนั้นแล้วนำยาพิศมาเาผาผลานตรงเด็กกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานี่ความที่เป็นทั้งนี้ เป็นขึ้นมาจากการพยายามอบรมมีความขยันหมั่นเพียรต่อการชำระจิตใจของตนซึ่งเป็นของมีคุณภามากจนกลายเป็นของทีิงเลยประมาณแห่งคุณภาทั้งหลายรียกว่าเป็นใจที่อัศจรรย์ยังครองอัตภาพอยู่ก็เป็นใจที่อัศจรรย์เห็นในชัดทัดภายในตัวเ เมื่ออัตภาพนี้เลยแตกสลายลงไปแล้วจะกลายเป็นของรรสรรมธาตเลซามมาจากที่ไหนก็ต้องเป็นธรรมทั้งแท่งดิ้นนั่นเองฉะนั้นขอให้ท่านรักปฏิบัติและท่านพ้นกายทั้งหลายจงมีความไครและมองดูต่อเองให้เห็นว่าเป็นของสําคัญยิ่งกว่าสินใดแล้วพยายามบำเพ็ญอย่าให้เสียธาตเสียทีที่เราได้มาเกิดว่าเป็นมนุษย์ทั้งใน้พบพระพุทธศาสนาซึ่งสมบูรณ์ด้วยหลักเหตุผล นำธรรมะทำสัาางสอนทั้งพระพุทธเจ้ามาแก้ไขจิตใจของตนปายวาจาของตนให้เป็นไปเพื่อความสะดว ก, ท, ท, กทั้งถังหลบและถังทาผูทีเลยบำเพ็ญเต็มความสามารถและบรรลุถึงผลอันสมบูรณ์แล้วผูนั้นก็ผ่านไปได้ในอัตภาพนี้ผูที่กำลังก้าวเดินดีก็จะมีวันที่จะผ่านพ้นไปได้ในวันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องสงสัย ในอวสาหหนหองพระธรรมเทศนานี้จึงขอบัญญัติภาพอห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาษาพร้อมทั้งประธรรมและระสงค์จงมาคุ้มครองลักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและเนึกสิในใ จ, จงถึงนตามความมตกาปรารถนาหรือตัวหนะัดเทอ